มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตวักฮีนายาวัตนะปัญหาที่สิบถามว่าคนที่บวชแล้วศึกไม่รู้อะไรไม่ควรให้บวชในาศาสนามิใช่หรือ สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามหากษัตริย์ขัตติยาธิบดีจึงมีพระราชโองค์การตรถามอัธปัญหาอีกว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานอิทังศาสนงอันว่าพระศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกนาศาชสดาจารย์ของเรานี้ขาวบริสุทธิ์ประเสริฐเลิศลน ซึ่งจะบวชปุถุชนอันชัดด้วยกิเลตันหาเข้าไว้ในบรวรพุทธศาสนานี้เห็นไม่ดีไม่สมควรนักหนาทีเดียวถ้าว่าได้รรมวิเศษถึงจะไม่สาเร็จพระอระหัตจะได้แต่มรรคผลอันใดอันหนึ่งคือโสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลเป็นต้นตามแต่จะได้บวชเข้าในบรวรพุทธศาสนาอุตสาจเจริญไป ก็จะได้พระอระหันตตัดกิเลสยั่งยืนไปจึงจะเห็นสมควรในพระาศาสนาถ้าคารหัตปุถุชนแท้แต่มักอันใดอันหนึ่งยังต่ำเพียงชั้นพระโสดาก็ไม่ได้ครั้นบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนามรรคธรรมไม่ต้องด้วยกิจไม่สำเร็จด้วยธรรมวิเศษสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ไม่ได้ในพระาศาสนาศึกษาจากพระาศาสนา มหาชนชวนกันนินทาว่าผู้นั้นแน่บวชเข้าในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสมณะโคดมบรมครูเจ้าของเราก็เปล่าไปมักผลสิ่งใดก็ไม่ได้กลับศึกออกมาคำขระหามีชนี้เหตุดังนี้โยมจึงว่าครือหัสปุถุชนเช่นนั้นจะพากันบรรพชาบวชเข้าในพระพุทธศาสนาไม่ได้ด้วยพระศาสนานี้ บริสุทธิ์ประเสริฐ ด, ดีจะกลับเป็นที่นินทาโยมเห็นว่าคดรื่งหัดปุถุชนแท้ไม่ควรแก่พระพุทธศาสนาบวชเข้าจะพาให้เขาติเตียนพระนาคเษนจิงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐตะลากังพะวยะเปรียบด้วยสากันลึกซึง้งเต็มด้วยอุทธกังอันใสและเย็น คือน้ำอาบน้ำสงยังมีชายหนึ่งเดินตรงเข้าไปที่สระนั้นชายนั้นมีกายอันติดต้องไปด้วยทุลีควรที่ชายนั้นจะไปสู่บ่อน้ำชำระเสียซึ่งมนทินทุลีให้สำราญบุรุษชายนั้นเกียรติคร้านไม่อาบน้ำชำระกายเดินกลายหนีเลี่ยงเลยสระน้ำมามหาราชะขอถวายพระพ ร, พรบพิษพระราชสมภาร ประชาชนทั้งหลายได้ทัศนาการเห็นชายเกียร์ครานไม่อาบน้ำนั้นก็ชวนกันติเตียนชวนกันครหาชวนกันนินทาว่าบุรุษชายคนนี้มีกายติดไปด้วยมูนถิ่นน่าเกลียดเดินเฉียดมากับสระน้ำน่าจะชำระเสียให้หมดบนถิ่นชำระเสียไม่ได้โสมมุมนี้กระไรนักหนาคนทั้งหลายชวนกันว่าอย่างนี้ เขาจะนินทาสะว่าสะนี้กะไรใจชั่วคนตัวเปื้อนมนทินเดินเฉียดมาฉันจะเรียกให้อาบน้ำชำระมนทินเสียให้หมดสิ้นก็ไม่มีประชาชนเขาจะนินทาชนี้หรือประการใดนะบอพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาญ การอะไรเขาจะนินทาสะสะมีจิตมีวิญญาณเมื่อไรเล่าฝูงคนเขาก็ดินทาว่าชายผู้นั้นเป็นคนโสมมไม่ดีกระนั้นสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรอนบวาพิพ ร, ราชสมภารข้อความประการ น, นี้ยะถาและมีครุวนาชันใด พระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกนาถศสาสนาบริสุทธิ์หามนถินไม่ได้พองใสขาวสะอาดกุลบุตรนั้นบวชในบวรพุทธศาสนาพระบรมโลกกนาถศสาสดาจาร์แล้วกุลบุตรนั้นเกียรติคร้านมีแต่กินกับนอนบาจีวอนก็ไม่ครองมีแต่จะมองสาวสาวไม่เล่าเรียนคันทะธุระวิปัสนาธุระ ไม่สมาธานทุดงและปฏิบัติวินัยน้อยใหญ่ตั้งใจแต่จะห้อมยับซึ่งทุนทรัพย์อันเกิดมาแต่ศรัทธาไทยเอาไปให้คฤหัสบุตรภรรยาญาติชู้สาวสู่กันกินกระทําแต่มนทินด่างพร้อยลอยตัวอยู่ในพระพุทธศาสนาถือว่าหากินง่ายครั้นนานเล่าไม้จะมีบุตรภรรยาพาเอาทรัพย์ศรัทธาไทย ซึกหาด้วยโลภะเจตนาถือว่าหาบาปไม่รรมวิเศษสิ่งไรก็ไม่ได้ที่นั้นก็สึกออกมาแต่ตัวเริงร่าเดินกลายอยู่กลางถนนฝูงคนเขาก็นินทาว่าชั่วช้าบวชเข้าในพระศาสนาหามีวัตรปฏิบัติเล่าเรียนไม่กระทำชั่วอย่างไรเขาก็นินทาอย่างนั้นชวนกันว่าต่งตางๆไป ก็การอะไรเขาจะนินทาพระพุทธศาสนาเอวะเมวะเหมาะตะถามีครุวนาดุดชายมีกายอันแปดเปื้อนด้วยมนทินทุลีมาถึงสะสีแสนสบายไม่ชำระกายให้หมดมนทินนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราชขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารปานดุดแพทย์ผู้หนึ่งเป็นหมอยารู้ลึกรู้ซึ้งในคำพีโรคนิทาน ประกอบการกระทํายาไว้รักษานั้นก็ดีดุดทิพโอสถถ้าแพทย์นั้นได้จดจํารักษาโรคเข้าแล้วโรคนั้นก็อันตรธานหายยังมีบุรุษชายผู้หนึ่งเป็นพยาธิทั้งกายบุรุษผู้นั้นอยู่ใกล้แพทย์คนนั้นแต่ไม่ได้หาให้แพทย์นั้นรักษาเขาจะนินทาว่าบุรุษชายกลายเป็นพยาธินี้อยู่ใกล้หมอแต่ว่าขี้เกียจกินยา ไม่ให้หมอรักษาน่าเกลียดนี้กระไรหรือว่าเขาจะนินทาว่าหมอและยาของหมอนั้นไม่ดีเล่าสมเด็จพระเจ้ามิรินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานก็การอะไรเขาจะตีเตียนหมอนั้นฝูงชนเขาก็ชวนกันครหานินทาชายกายเป็นพยาธินั้น พระนาคเษมจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชเขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารก็การอะไรเล่าคนทั้งหลายเขาจะนินทาพระศาสนาเขาจะสรรเสริญเสียอีกว่าพระบวรพุทธศาสนานี้เป็นที่สบายเขาซ้ํำจะนินทาชายที่ศึกหานั้นว่าอานิจจาชายคนนี้หนอบวชเข้าในพระพุทธศาสนา หากังวลธุระไม่ได้อย่างว่าไม่สบายทุรนทุรายไม่ได้วิชาสำหรับกายโง่เงา่าบวชกินข้าวเล่นเท่านั้นสึกออกมานี้จะหาห่วงใยใส่ตัวมิได้ธท ร, รมวิเศษที่จะกำจัดโรคคือกิเลสด้วยเอวเมวะเมะตะถามีครุวนาดุดบุรุษชายกายเป็นพยาธิสันนิวาดใกล้หมอมิได้ให้หมอรักษาฉะนั้น มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประหนึ่งว่าบุรุษชายผู้หนึ่งอยากข้าวเต็มประดาบุรุษชายผู้นั้นจึงสัญจรเที่ยแสวงหาอาหารคมานาการไปสู่สำนักท่านผู้ดีอันมีข้าวปลาอาหารท่านได้ทัศนาการเห็นบุรุษชายนั้นหิวโหวยหาจึงให้ยกสำรับกับข้าวมาแล้วเรียกหาให้ชายนั้นกินอาหาร ชายนั้นไม่รับประทานนี่แหละเขาจะนินทาผู้ที่แต่งสำรับกับข้าวหรือจะนินทาบุรุษผู้นั้นเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอ่งการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าเขาจะนินทาท่านผู้ให้อาหารทำไมเล่าเขาก็นินทาว่าบุรุษชายนั้นสันดานเย่อหยิ่งหารับประทานข้าวที่ท่านหาให้กินไม่ พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารข้อความเปรียบประการนี้ยะถามีคารุวนาชันใดพระศาสนาของสมเด็จพระบรมไตรโล ก, กนาถศาสดาจารย์เปรียบดุจโภชนาหารเครื่องบริโภคกล่าวคือพระกายยคตาสติอันมีรสโอชาอันว่าพระกายยคตาสติ คือทำสิ่งอันใดได้แก่พระทวัติงสาการมีเกสาเป็นต้นตลอดจนมัทลุงคังนั้นท่านจัดเป็นอาการส2สองร้องเรียกว่าพระกายาคตาสติโยคาวจรภิกษุเจเริญไปอาจได้พระจตุทชาญสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าบุคคลผู้ใดมีอุตสาหะ จำเริญไปในพระกายคตาสติเป็นอารมณ์ได้ชื่อว่าดื่มกินซึ่งทารารสแห่งน้ำอมฤตอันมีในห้องสวรรค์อันหนึ่งกําลังพระกายคตาสติที่ภาวนาถึงแม้มากว่าบุคคลที่ภาวนาพระกายคตาสตินั้นจะถึงกรรมกระทากาและกิริยาตายก็ไม่ได้ไปบังเกิดในจตุราบายทั้งสี่ที่จะไปนรก ไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นเดรัจฉานทั้งหลายเป็นว่าหามิได้ผู้นั้นจะไปสู่สุขติอันดีนี่แหละพระกายยคตาสตินี้มีรถโอชากุลบุตรบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนาหาเป็นอันที่จะจำเริญซึ่งพระกายยคตาสติให้ป้องกันกิเลสตัณหาไม่มิได้จำเริญเลย อยู่เฉยๆก็สึกออกมาบรรพชาเสียเปล่าเสียเปล่าไม่เข้าการพากิเลตันหาเข้าบ้านเหมือนชายเมื่อท่านให้อาหารไม่รับประทานผาท้องหิวกลับมาหาอาหารรับประทานที่บ้านตนกว่าจะหาอาหารเสร็จก็แทบไม่ได้สมประดีหิวแทบตายอันหนึ่งมีอธิบายว่าพระกายยคตาสตินี้ เป็นที่กําจัดพบทั้งสามคือกามาภพรูปภพอรูปภพผู้ใดภาวนาเป็นนิจคิดถึงตัวไปก็จะไม่ได้เกิดในภพทั้งสามอาจข้ามสงสารสาครคือกิเลสเข้าสู่นิเวศนิพพานกายคกตาสตินี้สมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงประทานไว้ในบวรพุทธศาสนามีรถโอชาถึงเพียงนี้ กุบุตรมีตัณหาราคะบวชในบวรพุทธศาสนาชอบแต่ว่าจะให้เบาจากกิเลตัณหาบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานก็เมื่อไพร่ไปบวชเอาลาบสการะได้มากหลายแล้วบ่ายหน้าเข้าบ้านศึกออกเลี้ยงบุตรภรรยาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมจะนินทาผู้นั้นเขาจะติเตียนพระศาสนาต้องการอะไรนะบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งการบรรพชาเป็นการขัดกิเลสให้หมดจดปราศจากสันดานผิแลพระธถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดให้แต่คฤหัตอันพระองค์ทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในผลอันหนึ่งแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาจำพวกเดียวเท่านั้นไซกิดด้วยบรรพชาก็ย่อมจะไม่มีแก่เขาเปรียบเหมือนชายผู้มีวาสนาผู้หนึ่งชายให้บริษัทบ่าของอัตมา จะนับจากค่าห น, นาได้มากกว่าร้อยมาขุดเป็นสะใหญ่ครั้นขุดได้สำเร็จดังปรารถนาแล้วสั่งบริษัทเบาของอัตมาว่าสู้ชาวเจ้าที่มีกายเศร้าหมองขมุกขมอมอย่าลงสู่สระนี้ชาวเจ้าที่อาบน้ำชำระเงือใครทาตนให้บริสุทธิ์แล้วจงลงสู่สระนี้เมื่อบุรุษผู้มีวาสนากล่าวดังนี้กิจ ด, ด้วยสะนั้น จะพึ่งมีแก่บุรุษผู้ชำระเงือใครทำตนให้บริสุทธิ์แล้วนั้นหรือประการใดพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณิพันเตไม่เช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้าชนทั้งหลายพึ่งเข้าไปสู่สระนั้นเพื่อประโยชน์แต่กรรมใดกรรมอันนั้นบุคคลผู้ไม่มีเงือใครกายบริสุทธิ์กระทําเสร็จแล้วเขาจะต้องการอะไรด้วยสระนั้นเล่า พระนาเคเกศนจึงมีเทระวาจาว่าข้อนี้ฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผิเลพระตถาคตจะทรงกรุณาโปรดให้แก่คฤหัตผู้อันพระองค์ทรงแนะนำให้อยู่ในผลอันหนึ่งได้บวชในพระพุทธศาสนาจำพวกเดียวเท่านั้นไซกิจที่จะพึงกระทำในผลนั้นได้ชื่อว่าอันคนเหล่านั้นกระทาแล้ว เขาจะต้องการอะไรด้วยบรรพชาเล่าประการหนึ่งเปรียบเหมือนแพทย์ผู้หนึ่งเข้าไปหาพาระฤาษีแล้วเรียนมนต์เสกยาเรียนเอาตำรายาพาระฤาษีพระฤาษีประสิทธิ์ให้แล้วแพทย์นั้นก็ประกอบยาตามโรคนิทานที่ได้เรียนมาครั้นประกอบยาตามตำราโรคนิทานสําเร็จแล้วก็กลับมาเป่าร้องว่าผู้ใดเป็นโรคจงมาหาเรา เจียดเอายาไปกินเมื่อแพทย์เป่าร้องชะนี้คนที่เป็นพยาธิจะไปหาหมอหรือหรือว่าคนที่ไม่เป็นพยาธิจะไปหาหมอด้วยประการใดพระเจ้ามิรินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอนั้นเป่าร้องแต่คนที่เป็นโรคคนที่เป็นโรคจึงไปหาคนที่ไม่เป็นมโรคนั้น จะไปหาต้องการอะไรหมอเขาไม่ได้เป่าร้องนี่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโล ก, กน า, าศาสดาจารย์จะไม่ให้ครือหัดที่ไม่ได้มักผลบวชหามไม่ได้พระองค์โปรดให้บวชสิ้นด้วยกันมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง มีเบ่าไพร่ามากให้หุงข้าวและให้คดข้าวใส่ชามตั้งไว้มากกว่าร้อยตั้งเรียงไว้แล้วลองเรียกไปว่าดูราณสูชาวเจ้าใครอยากข้าวมาเอาข้าวไปกินตามปรารถนาคนทั้งหลายที่อยากข้าวนั้นก็พากันมารับข้าวไปกินมาหรือหรือว่าคนทั้งหลายที่ไม่อยากนั้นจะมารับเอาไปกินด้วยประการใดนะบพิทภ ร, ราชสมภาร พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมารับข้าวแต่คนที่อยากที่เขาไม่อยากจะมาต้องการอะไรพระนาเกษมมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผิว่าสมเด็จพระบรมโลกรุตมาจารเจ้าจะทรงพระกรุณาโปรดให้คฤหัส ผู้อันพระองค์ทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในมรรคผลแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาจำพวกเดียวเท่านั้นกิจที่จะพึงกระทาในผลชนีได้ชื่อว่าอันเขากระทาเสร็จแล้วเขาจะต้องการอะไรด้วยบรรพชาเรา่าอะปิจักประการหนึ่งโสดครหัดที่เขาโปรดบวชเป็นภิกษุภาวะแล้วให้ร้อนรนไปบวชอยู่ไม่ได้ก็สึกไปจากพระศาสนานั้น ปัญจะอตุริยะคุณเนทัสนติจะสําแดงซึ่งอตุริยะคุณห้าประการขอถวายพระพรกาตเมปัญจะอตุริยะคุณห้าประการนั้นเป็นดังลือเล่าขอถวายพระพรบวพิทธพระราชสมภารเจ้าหันว่าอตุริยะคุณห้าประการนั้นภูมิมหันต์ปาวังคือบรรพชานี้เป็นภูมิใหญ่กุลบุตรสร้างกุศลไว้น้อย บวชไม่ได้ประการหนึ่งบรรพชานี้บอกซึ่งภาวะบริสุทธิ์ประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะไม่ได้เสพด้วยคนใจบาปประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะจะให้ได้ธรรมวิเศษอันได้โดยยากประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะให้รักษาสังวรสินประการหนึ่งสิริเป็นอตุลิยะคุณห้าประการเท่านี้ที่ว่า บรรพชาสำแดงซึ่งภาวะเป็นภูมิใหญ่ภูมิสูงภูมิประเสริฐนั้นอย่างไรเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าเปรียบด้วยบุรุษเข็นใจอะทโนหาทรัพ์ไม่ได้ฮีนชัดโจภูมิที่เกิดต่ำช้าพุทธิปริฮีโนทั้งปัญญาโฉดเขาไม่มีฉลาด ถึงแม้มากว่าจะได้ครองราชสมบัติเป็นบรมคัตติยาธิบดีก็ไม่ได้สถิตในราชสมบัติคงจะชิบหายเป็นอันตรายจากราชสมบัติเป็นแม่นมั่นเหตุว่าราชสมบัตินั้นควรแก่ท่านที่มีอิสริยยศสูงสกุลบุญมากประกอบด้วยสติปัญญายะถามีขรุวนาฉันใดคารวาตหาบุญไม่ได้ สร้างสมไว้น้อยแต่หลังมาครั้บนบรรพชาเข้าในบวรพุทธศาสนาก็ถึงซึ่งภาวะร้อนรนเกิดวิกฤตต่างๆไปอยู่ไม่ได้ต้องศึกออกมาเหตุว่าบรรพชานี้เป็นภูมิประเสริฐไม่คู่ควรด้วยคนบุญน้อยอุปมาดุดราชสมบัติอันเป็นอิสริยยศอันหาคู่ควรแก่บุรุษอันเป็นหิ น, นชาต ไรซัพอัอปัญญาฉะนั้นไม่วิสัชนาในบทที่ว่าบรรพชาเป็นภูมิใหญ่ไม่ควรแก่คนใจบาปเป็นอตุิยะคุณที่หนึ่งยุติการลงแต่เพียงนี้ตอนนี้จะแสดงในอตุิยะคุณคารบสองที่ว่าบรรพชาสำแดงซึ่งภาวะบริสุทธินั้นเป็นอย่างไรมหาราชะ ขอถวายพระพรบัวพิษพระราชสมภารเปรียบประดุดน้ําอันเคลื่อนคลาดตกลงไปในใบบัวไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวนั้นได้มีแต่จะกลิ้งกลับตกไปเท่านั้นเหตุไรเหตุว่าใบบัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมลทินยะถามีอุปมาฉันดายมหาราชขอถวายพระพร คนที่โอ้อวดโคตโกงไม่ซื่อตรงมีความเห็นวิปรลาดเมื่อบรรพชาเข้าในชินะศาสนาแล้วประพฤตินตนให้เป็นคนมัวหมองไม่สามารถจะทรงอุดมเพศไว้ได้เพราะพระศาสนาบริสุทธิ์ปราศจากมนทินไม่ช้านักก็ต้องสึกออกไปเอวะเมวะโขข้อนี้มีอุปมาดุดน้ำในใบบัวฉะนั้น แสดงมาในอตุลยะคุณคำรบสองยุติการจบลงเพียงนี้ตอนนี้จะแสดงในอตุลยะคุณเป็นคำรบสามที่ว่าบรรพชาไม่ควรที่คนใจบาปจะสังวาสสถิตนั้นเปรียบดุดมหาสมุทรอันใหญ่บริสุทธิ์หาบนทินไม่ได้มาดว่าซากอสุภาษัตใหญ่น้อยจะเลื่อนลอยไหลาตามกระแสชลาไหล ลอยไปสู่พระมหาสมุทรสา ค, ครคลื่นละลอกก็กระชอนซัดพัดอสุภานั้นขึ้นค้างเสือบนฝั่งสมุทรมิให้ซากอสุภาลงสะสมอยู่ได้เหตุดังนี้จึงว่ามหาสมุทรอันใหญ่ชำระมหาภูต ร, รูปให้พ้นไปกระทำอุทธกังให้บริสุทธิ์ผ่องใสยะถาฉันใดคนทั้งหลายที่ใจบาปหยาบช้าทารุณทุจริตสันดาน และเป็นคนเกียดคร้านอนทการมืดมนคนหาสติปัญญามิได้มิอาจบวชเข้าอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาได้เหตุว่าบรรพชาเป็นเหตุจะให้บริสุทธิ์แห่งมหาภูตรูปเราท่านให้บริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสเหตุชนี้ริงว่าบรรพชาไม่สมควรมีคนใจบาปจะซ่องเสพแสดงมาในอตุรลยะคุณคำรบสาม ได้ใจความเท่านี้ตอนนี้จะแสดงอตุลิยะคุณคำรบสี่ที่ว่าบรรพชาสำแดงซึ่งภาวะรู้ธรรมวิเศษได้ยากนั้นอย่างไรมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดุดบุรุษอันไม่ฉลาดไม่ได้ศึกษาวิชาการไม่ได้เรียนศิลปาศาสตร์ต่างๆเป็นต้นว่าวาลัคเวท คือเอาธนูยิงปลายขนสายจามรีมติวิปะีโนปราศจากแบบแยบคายครูอันเนที่ตั้งที่ยิงธนูบอกลัทธิสำคัญมิได้เอาปัญญากาหนดไว้ให้มัน่นบุรุษชายผู้นั้นจึงไปยิงขนสายนั้นวิคขหันติยิงก็พลาดเพลี่ยงไปไม่ถูกและละเสียเหตุว่าขนสายจามรีนั่นสันหังสุขุมัง และเอียดสุขุมนักจะรู้จักลัทธิยิงเป็นอันยากฉันใดคนบางจำพวกที่มีอากุศลหนหลังกระทา ม, มาทุบ ป, ปัญญามีปัญญาชั่วโฉดเขานักหนาฉลาเป็นคนเงะเอละมูคะมุลหาพูดจาน้ำเขละไหลยฟูมปากเป็นคนมักหลงมักลืมมิอาจกระทาสิ่งใดได้ชินะศาสนปปปัชันติ มาบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระชินท์สีสัมมาสัมพุทธสัพพันยูคนพวกนั้นมิอาจตรัสรู้จตุสัจจะปฏิเวทคือพระอริยสัจสี่ประการอันมีลักษณะสุขุมนักและเอียดนักมิอาจเห็นมิอาจรู้ด้วยปราศจากปัญญาที่จะอยู่นิสมนานสิการเข้าใจได้ที่นั้น ก็ให้เกียรติให้คร้านร้อนรำคาญอยู่ไม่ได้ก็ศึกหาลาเพศบรรพชาออกมาเอวะเมวะเมะตะถาเหมือนคนไม่มีวิจารณะปัญญาไม่ศึกษาตามลทัทธิครูยิงธนูไม่ถูกขนสายละเสียเหตุว่าพระอริยสัตว์ทั้งสี่สุขุมละเอียดกุลบุตรเกียรติคร้านไม่อาจรู้ฉะนั้น แสดงมาในอตุริยะคุณที่สี่จบลงเพียงเท่านี้ต่อนี้จะแสดงอตุริยะคุณที่ห้าข้อซึ่งบรรพชาบอกภาวะให้รักษาสังวรศีนั้นด้วยอย่างไรมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระ ร, ร, ร, ราชสมภารเปรียบดังบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้าสู่สมรภูมิชัยถูกค่าศึกล้อมรอบทั้งแปดทิศ ครั้นแลเห็นคนถือหอก ถ, า, ถาโถมโจมเข้ามาพีโตก็สะดุ้งตกใจกลัวตัวสัน่นไม่สามารถจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็ประราศนาการหนีไปเหตุไรเหตุว่ากลัวข้าศึกอันมีกำลังมากยะถามีอุปมาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดใจบาปหยาบช้าอาสังวุตตาไม่มีความสํารวมอาหิริกาไม่มีความละอายอดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้เป็นคนมีใจกลับกรอกครั้นมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วชนเหล่านั้นไม่สามารถรักษาศีรษะบทให้เป็นอันบริสุทธิ์ได้โอสักกิ ต, ตวาให้ย่นย่อท้อใจ ไม่นานเท่าไรก็ศึกออกมาเหตุอะไรเหตุว่าชินนศาสนามีกิจที่จะต้องรักษามากอย่างเอวะเมวะมีอุปมมยดุดบุรุษกลัวต่อข้าศึกซึ่งมีกำลังมากฉะนั้นแสดงมาในอตุเลยาคุณคมรบห้าจบลงแต่เพียงนี้มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งเปรียบเหมือนพุ่มชาตตบุตรซึ่งนับว่าเป็นไม้อันสูงสุดกว่าไม้ทั้งปวงบรรดาที่เกิดบนบกด้วยกันเมื่อมีนอนมารังแกเจาะดอกเสียดอกนั้นนั้นยังไม่ทันแกก็พากันแกนหลน่นร่วงเสียในระหว่างนั้นชนทั้งหลายจะพากันติเตียนพุ่มชาตตบุตรเพราะดอกนั้นนั้นหล่นร่วงหามิได้ดอกใดยังตั้งอยู่ในพุ่มนั้น ดอกนั้นๆก็ย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปสู่ทิศน้อยและทิศใหญ่ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดบวชในชินศาสนาแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวชนเหล่านั้นก็เป็นคนดุดดอกชาตตะบุตรที่หนอนเจาะหมดสีหมดกลิ่น ไม่ได้รับผลอันภัยบูรในชินศาสนาชนทั้งหลายจะพากันค่อนว่าติเตียนนินทาพระชินศาสนาหาไม่ได้ภิกษุเหล่าใดตั้งอยู่ในชินศาสนาได้ภิกษุนั้นย่อมจะมีกลิ่นคือศีลหอมอบตรบไปสู่มนุษยโลกและเทวโลกเอวเมวมีอุปมาดังดอกชาตตะบุตรอันมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปฉะนั้น มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียบดุลข้าวสาลีชาติกรุมภะเกิดขึ้นในระหว่างข้าวสาลีชาติโลหิตกะซึ่งงอกงามเจริญแน่นหนาหาระหว่างไม่ได้แล้วพิ่นาถิบหายไปในระหว่างนั้นชนทั้งหลายจะพากันตีเตียนข้าวโลหิตกะสาลีเพราะเหตุที่กรุมภะสาลีเกิดขึ้นแล้วพินาชิบหายไปหามิได้ กลับจะเป็นพระกยาหารสำหรับเสวยแห่งพระราชาเสียอีกข้อนี้มีอุปมาชั้นใดภิกษุที่บวชในชินศาสนาแล้วอย่างมิถันได้รับผลอันภัยบูรในชินศาสนาซึกออกมาเสียในระหว่างก็เป็นดุจกรุมภะสาลีเกิดขึ้นในระหว่างโลหิตกะสาลีแล้วตายไปในระหว่างโลหิตกะสาลีฉะนั้นชนทั้งหลายเขาไม่ตีเตียนชินศาสนา เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นบวชแล้วอยู่ไม่ได้ศึกออกมาภิกษุเหล่าใดตั้งอยู่ในชินศาสนาใดภิกษุเหล่านั้นย่อมสมควรแก่พระอรหัตตผลประการหนึ่งเปรียบเหมือนแก้วมณีอันให้ความประสงค์สําเร็จทุกอย่างแม้จะเป็นตําหนิสักแห่งหนึ่งชนทั้งหลายก็ไม่ติแก้วมณีเพราะเหตุที่เป็นตําหนินั้นส่วนใดบริสุทธ ส่วนนั้นย่อมนำความชื่นบานให้เกิดแก่มหาชนมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ที่บวชในชินศาสนาแล้วสึกออกไปก็เท่ากับเป็นกระเพาะในศาสนาชนทั้งหลายจะติเตียนพระศาสนาเพราะผู้ที่บวชแล้วสึกหาไม่ได้ภิกษุใดตั้งอยู่ในชินศาสนาได้ภิกษุนั้นย่อมกระทำความชื่นบานให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนจันชาติจันแดงแท้แม้จะมีส่วนเสียกลิ่นน้อยสักแห่งหนึ่งชนทั้งหลายเขาก็ไม่ติจันแดงส่วนใดไม่เสียส่วนนั้นก็ย่อมหอมฟุ้งขจรไปโดยรอบยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารชนเหล่าใดบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว อยู่ไม่ได้ศึกออกมาชนเหล่านั้นเขาก็ย่อมตำหนิติฉินผู้นั้นเขาจะพากันติฉินพระศาสนาหาไม่ได้ผู้ใดดำรงอยู่ในชินศาสนาใดาผู้นั้นย่อมมีกลิ่นหอมเฟื่องฟุ้งขจรไปสู่มนุษยโลกกับทั้งเทวโลกเอวเมวะมีอุปมาดังจันแดงแท้ฉะนั้นซึ่งกระแสะพระดำริ จ, จะให้บวชแต่คฤหัดที่เป็นอริยบุคคล ผู้ทุชนจะทรงห้ามจะเป็นการถูกต้องด้วยพระพุทธดีการนั้นหาไม่ได้ขอบอพิจงเข้าพระไทยเป็นประการชนี้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังก็มีน้ำพระไทยชื่นบานหันสาทรงพระสมัสัทธาซึ่งถ้อยคำของพระนาคเษนแล้วตัดสรรเสริญโดยในยะดังวิสัชนามาข้างต้นทุกประการ ฮีนายาวัตนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบชัตวัก